วันนี้เป็นวันที่สอง <c oughs> ในการเรียกรรมาฐานวันนี้เสียงไปได้ข่าไหนไม่ทราบวันนี้ไม่มีแรงการปฏิบัติพระกรรมาฐานตอนต้นจริงจริงถ้าขอญาติโยมพุทธบริษัทยาลืมอย่าลืมะต <c oughs> ิสัม ป, ปัญญะวันนี้เขาพู้ภาษาบาลีนิดห น, น่งคนิดเดียวเนี่ยเมื่อกี้พูดจริงงแล้วสติสัมปชั ญ, ญ คือคำว่าสติเนึกไวสัมผัสัญญารู้ตัวความจริงการเจริญรรมาฐานพระเจ้าต้องการให้เป็นคนมีสติสัมผััญญาอยู่เสมออย่างกระพระรหันที่ได้บอกว่าไม่ปรับพระบาททกตสีขาบทท่านถือว่าเป็นผู้มีสติสมบูรณ์ไม่บอกต้อง <c oughs> เม oh, like right? cool. ื่อสำหรับชาติโยมุตติภัยตัวก็ดีอาตมากราตามก็เหมือนกันเนี่ยหิ้วข้าวเหมือนกันปวดตรงที่เหมือนกันนึใครมีปวดที่มีไหมมีไหมไม่มีอ่ะรงทีก็จะเอไปกมเกิดแก่เกิดตายเหมือนกันก็ต้องระัดวังเนื่อสติสัมปชัญญะคำว่าสติแปลวันึกไว้สัมปชัญญะรู้ตัว ว่าเรานึกเราคิดตามที่พระเจ้าทรงตั้งใจสอนหรือเปล่าสิ่งที่องค์ตั้งใจสอนก็คืนหนึ่งให้รู้ว่าโลกมีเปลี่ยนนิจจงคําว่านิจจงมันไม่เที่ยงตนการนี้สองในเมื่อมันไม่เที่ยงเรายึดถือว่ามันเที่ยงในเมื่อมันในเมื่อมันไม่เที่ยงในทรงตัวตามที่เราต้องการเราก็เป็นทุกข์ในการนี้สามโลกเวนตา คือสลายตัวใ น, นที่สุดคำว่าโลกไม่ใช่หมายถึงแผ่นดินอย่างเดียวคนก็ดีใส่ ก, ก็ดีก็ถือว่าโลกเหมือนกันเพราะอยู่ในโลกโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่พระเจ้าทรงการคือให้ให้ดูร่างกายของเราเองเว่าร่างกายของเรานี่เป็นนิจังมันไม่เที่ยงไม่มีการทรงตัวมีความเกิดขึ้นในเบื้องตน้น ถ้ามีความแปรปรนเดินหาความแก่ในตั้งกลางปลายที่สุดสุดถลายตัวคือตายฉ <c oughs> นั้นทุกญาตนและนำว่าทุกคนจะนึกถึงความตายไว้จงอย่าคิดว่าความตายจะเข้าถึงเราในวันพุ่งนี้ให้มีความรู้สึกเรื่องความตายอาจถึงเราวันนี้ไว้เสมอจะได้มีความไม่ประมาะทชีวิตความมุ่งหมายในการจะเรียนกรรฐาน ในเมื่อเราคิดว่าเราจะตายทุกคนเขาตั้งใจทําความดีเพราะวการตายไม่มีสภาพสูญ <c oughs> ถ้าเวลาก่อนจะตายอารมณ์ครบกับความดีก็ไปสู่สุปฏิสุปติอย่างต่าก็คือมนุษย์สุปติจริงจังก็ต่เจอเทวดาปลุมสนิพานมีความสุขจงถ้ารมณเราเมีความมวดสูงกับความชั่วในอารมณ์กลุ่ม นีรมเศร้าหมองและเศร้าหมองคือกลุ่มก็ต้องลงอบายภูมิ <c oughs> มีนรกเปรตสุรกายสติฉันเป็นต้นพระองรศวรมนตรสุภพลยังทรงแนะนําว่าต้องมีสตินึกไว้ว่าชีวิตมันต้องตายสมัยพญญะรู้ตัวว่เราคิดถูกเราเวลาที่ต้องตายในเมื่อก่อนที่เราจะตายต้องกันอบายภูมิสี คือหนึ่งนรกสองเปรตสารสุรกายสีส่สตรีฐานว่าแดนทั้งสี่แดนนี้เราจะต้องไม่ไป <c oughs> การที่ยังไม่ไปอบไรภูมิโนสีเราจะทำยังไงอันดับแรกส้งแนะ น, นำว่าทานน้ำไม่ส่วนบุญทั้งรลเยการบริจาคทานการให้ทานก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่เป็นการที่ทำให้เราหนีนรกได้ อาจจะมีนรกไม่ถาวรชาตินี้ไม่โดนนรกไปเกิดเป็นเทวดาทุตสมทั้งหมดปุนวันสนาปบารมีถ้าบาปยังมีอยู่อาจจะพุ่งเหล่าลงนรกก็ได้แต่ก็ยังดียังไงยังไงนีนรกไปเรืองก้นไปก่อน <c oughs> สองศีลเพื่รักษาไว้เพราะศีลเป็นการป้องกายกายปุ่มจริง ถ้าเราทรงศินห้าได้คือความมั่นโขเราไม่ต้องรบแม่และสามภาวนาภาวนาแปลว่าจเริญความจริงก็คือเราคิด <c oughs> คิดตามความเป็นจริงว่าการเวียนว่ายแต่เกิดในวัฏะมันเต็มได้วยความทุกข์กายเกิดในโลกมนุษย์ก็ไม่ได้มีความสุขจริงเป็นพิวดาหรือผมมีความสุขก็จริงแหลแต่ว่าสุขไม่นาน หมบุญวาสนาบรารมีก็ามาใหม่ถ้ากําลังใจเศร้าหมองก็ไปเกิดตายไปภูมิใจร้องเป็นต้นมีแต่ความทุกข์อย่างเดียวถ้าวิธีป้องกันไม่ลงนรุนก็ต้องทําจิตให้ไม่คงคือแนะนําไม่จะเรียนกรรมฐานการจะเรียกรรมฐานนี่พระเจ้าต้องการให้มีสติกับสัมมัชัญญะสติระลึกนึกไว้สัมญญสมชัญญมชย์ยะรู้ตัว อการนี้การฝึกพุทธเจ้าทรงแนะนำํำว่าดับแรกใช้อนาปานุสติกรรมฐานก่อนอานาปานสติกรรมฐานขึ้นลมหาย ใ, หใจเข้าออกกรรมฐานก่อง น, นี้เป็ น, นาปารกรรมฐานคุมจิตใจไม่ฟุ้งซ่ายเกินไปในเมื่อแค่อนาปานุสติกรรมฐ า, านให้ใช้แบบนี้หนึ่งเวลาให้ใจเข้ารู้อยู่ให้ใจเข้า เวลาหายใจออกใค้รู้หนูหายใจออกให้รู้าหออาย ใ, ใจเข้ารู้ว่ใจออกอย่างเดียวตอนนี้ผิวยังอยากอยู่ก็ยังใช้ได้ถ้าละเอียดกว่านั้นนิดหนึ่งหายใจเข้ายาวหรือสั้นก็รู้ด้วยหายใจออกยาวหรือสั้นก็รู้ด้วยอย่างนี้ละเอียดดีนือว่าเป็นการคุมสติสตินิดว่าเราจะรับรู้ลมหายใจเข้าใจออก ทำัมปสัญญะรู้ตรงว่าเวลานี้หายใจเข้าหนืองยใจออกหายใจเข้ายาวแล้วสัญญ้นอันนี้เป็นสัะพัญญะถ้าทำไว้อย่างนี้เสมอๆเอาจริงๆสักวันละหนาทีก็พอหรือว่าวาระละห้านาทีคิดว่าในช่วงหนาทีนี้เราจะไม่ยอมให้เรื่องวอนเข้ามายุ่งกับใจแค่รงเอยทําไม่ยุ่งกับใจแต่ทำจริงๆใหม่ๆไม่ได้คนระับ ห้านาทีเด็กคิดว่าคุมสมาธิให้ทรงตัวนี่ไม่ได้เอางั้ก็แล้วกันจะใช้เวลาเท่าไรก็าตามอย่าให้ลอยเกินไปตั้งใจคิดว่าในช่วงเวลานี้เราจะไม่ยอมให้รำเหนเข้ามายุ่งกับใจเราจะรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกจะรู้ลมหายใจเข้ายาวรู้ลมหายใจสันน้นรู้ลมหายใ จ, จ, จออกยาวหรือสั้นให้รู้อยู่ เราจะคุมอารมณ์อย่างนี้ให้สรงตัวในเมื่อเราต้องมาเวลาคุณต้องมาเวลาสั้นๆย่อยยาวขณะที่ตั้เวลาสั้นๆมัอาจจะถผลอปั้งไปของธรรมดาให้ตัวเผลอไปอารมณ์อย่างอื่นเข้ามาแทรกอย่างนี้ทั้งเรื่อนิวรณ์ก็ได้แก่นิวรตัวที่สี่อุตจะโตพุ่งสันอย่างนี้ต้องมีทุกคน ในเมื่อเรารู้อารมณ์มันโ้สงสั้นนอกเหนือกับที่เราต้องการเกิดความรู้สึกมาอีกตัวเวลาที่อารมณ์อื่นเข้ามาแทรกในสติเสร็แล้วรักตัวนึกไว้ไม่มีถ้าเป็นสัญญาตัวรู้ตัวไม่มีอารมณ์อื่นจะเข้ามาแทรกได้แต่ก็ จ, จะไปโทษตัวเองมากเกินไปมันเป็นของธรรมาดาจริงๆต้างฝึกกันเมื่อรู้ตัวาอารมณ์อื่นเข้ามาแทรกก็เริ่มจับลมหายใจเข้าออกใหม่ ใ้ใจเข้ารู้อยู่ได้ออกรู้อยู่ใจเข้ายาวหรือสั้นออกยาวหรือสั้นก็รู้อยู่ฝึกกันไปแบบนี้ไม่ช้าก็มีการส่งตัวแล้วคําว่าส่งตัวจริงๆนะนในบรรดาแยกรวมพระตุภิสัจใจมันส่งไม่ได้นานนะักก็มีหลายคนมาถามมาติดมันพุ่งสัน้นอารมณ์ไม่สงบ อันนี้ก็ต้งขอบอกกับัรดาลญาติโยมพระตบริษัจวาว่าไม่คินไม่ว่าใครทั้งหมดจิตก็คงสั่นเหมือนกันคือ ท, ท่านคิดว่าแจ้งจิตสงบก็หวังว่าไม่คิดอะไรเลยจะต้องรู้รู้ไม่ใจเข้าจะออกรู้คําเวลาตลอดเวลาอย่างนี้เป็นไปไม่ได้เพราะว่าอารมณ์มันต้องมีอารมณ์คิดอันนี้สําหรับคนผู้ทรงฌาน ผู้ทรงชายเขาคุมอารมณ์ได้ตามต้องการใช้เวลาสั้นๆไม่ใช่ตลอดวันใช้เวลาจะเพาะอันนี้ก็คุมได้ก็แปลงแล้วว่าผู้ทรงชายก็จริงก็จริงแหละแต่ว่ายังต้องมีอารมณ์ทุ่มสานเหมือนกันตามเวลาแต่คุมได้โดยเฉพาะเมื่อไปดูไล่เปียพระอาเดียเจ้าพระโสดาบันก็ดีพระศีท า, าคามีก็ดี ท่านาคามีอดีตอาตม ก, ก็มียังมีอารมณ์ผู้สันานนาที่อยู่ในอัตมพยายามปฏิบัติสังตักสังโยชน่ารายการบนหลังเห็นว่าสังโยชน่ารายการนี้ ย, ยังมีอุทะจรแต่นาคามีจบไปเขาขึา้นอัตมก็พยายามฝึกเมืองตัดรูปปัจจันตัดความมโมเมาในรูปปัจจันและรูปปัจจันทั้งสแล้วก็ตัด มานะการถือตัวที่ตนตัดอุตจากอาจิตฟุ้างาเราจเห็นว่าอรรถมรรคยังมีอารมณ์ฟุ้งซ่นคนที่ไม่มีอารมณ์ฟุ้งซ่จริงๆคือคืออรรถผลแต่ถ้าอตรถผลไม่ใช่มีอารมณ์ไม่คิดท่านคิดเหมือนกันแต่คิดเฉพาะดาได้ผลเมตตาปราณีสงเคราะห์ซึ่งคำว่าจิดว่าจะ่าอารมณ์ต่างๆจริงๆไม่ม ก็มีอย่างเดียวรู้จักต้องการให้ว่างคือว่างจากการมณชั่วเกาะอารมณ์ดีฝ่ายเดียววันนี้มีญาติโยมมาถามว่าต้องพยายามละถ้าอารมณ์ชั่วถ้าอารมณ์ดีอันนี้ไม่ถูกละแต่อารมชั่วอย่างเดียวเกาะอารมณ์ดีไว้ถ้าเราดีน้อยตายจากความเป็นคนก็กลับมาเกิดเป็นคนแต่ก็เป็นคนชั้นดีหน่อยดีมากเป น, นิดหนึ่ง ตายแจกความเป็นคนก็ไปเกิดบนสวรรค์เป็น เ, เทรรเนเดวดาไในดาวฟ้าถ้าดีมากไว้หน่อยมีจิตมันม่นคงมากก็ไปเกิดปเป็นพรถ้าดีถึงที่สุดไปพระนิพพาดีที่สุดหมายความว่าไม่มีเลวกลวงความว่าการเรียนพระธรรมฐานพระพุทธเจ้าต้องการให้เป็นคนมีรรสติสัมปชัญญะระหว่างเบือ่อเบืขอทุกคนมือทราบว่าเรากําลังฝึกอยังไม่ใช่ฝาระหรัน ถ้าจะถามว่าพระอรหันต์ท่านเลิกฝึกเป้นยังไงก็ต้องตอบว่าพระอรหันต์นเลิกฝึกแต่ก็ไป่เลิกปฏิบัติจะเคยไม่เข้าใจเลีนะพระอรหันต์ี้เลิกฝึกก็จบกิจที่การฝึกไม่มีแต่การปฏิบัติมีหนักมากกว่าคนธรรมดาอารมณ์ไม่ว่างเลยเห็นไหมเพราะท่านได้แล้วทั้งหมดไม่มีอะไรเหลือโลงความวันนี้เจะเปิดหมดเวลาเลย ในตอนตอนน้นจำไม่ถึงว่าหนึ่งรู้ลมไม่ใจเข้าใจออกอันละตายที่รู้กําหนดคิดว่าจะรู้รู้ไม่ใจเข้าใจออกนึกหนักตัวนึกอย่างนี้เป็นสติถ้ารู้ว่าเวลานี้ ใ, ใจเข้าหรือใจออกใหใจเข้ายาวหรือสั้นออกยาวหรือสั้นอย่างนี้เป็นสัพพัญญาไม่ต้องมีคู่กันแนมะ้และในขั้นต่อไปการเรียกรรมฐานไม่มีเฉพาะ ลารรู้ลงไม่ใจเขา อ, ออกอันนี้เป็นนาปาโนมิตติต่อไปก็มีคำภาวนาคำภาวนาทาไมยังต้องมีความจรงว่าคำภาวนาที่ว่าไม่สําคัญก็ไม่ได้แต่ว่าในตอนเบื้องต้นฝึกอะไรก็ได้ชอบใจความภาวนาอย่างไหนก็ใช้ได้มีความสําคัญมากเพราะเครื่อเพื่อโยจิตให้เกิดขึ้นให้เกิดตัทฐาน อย่างเราใช้ธรรมนาว่าพุโทโธก็ดีสัมมาหังก็ตามอะไรก็ตามคําว่าพุทค์เป็นพนางพระองค์สมเด็จพ ร, ระสัมมาแลพระพุทธเจ้าในเมื่อภาวนาบทนี้ขึ้นเป็นเหตุให้จิตเกิดศรัทธาความเชื่อหรือความมั่นใจซึ่งคำว่าภาวนาที่จะถือไม่สําคัญใดๆสําสคัญแต่ว่าในตอนต้นจริงๆให้เลือกภาวนาตามชอบใจ อย่างวันนี้บรรดาญาโยมวุทถบริสัทธหลายมาปฏิบัติกันอาจจะมาจังหลายสำนักถ้าเน้เคยผ่านที่อื่นมาแล้วเคยภาวนาอย่างไรคล่องตัวก็ไม่ต้องเปลี่ยนต้องภาวนาดับแรกถือว่าเป็นการโยงจิตให้เข้าถึงสมาธิเหมือนกันถ้าเคยเปลี่ยนจะทิ้งไปกลายขึ้นต้นใหม่ถ้านไม่สีเวลาไม่ต้องเปลี่ยนของเดิมเรื่องต้นเลย ไปถ้าจรียกนการมฐานแยกเป็นกองเฉพาะอันนี้ต้องภาวน า, านเฉพาะกองของเขาแต่วันนี้็จะไม่พูดอย่างวันนี้สมมติว่าญาติโยนนราที่ยังไม่เคยภาวน า, านเลยก็ควรจะใช้คําว่าพุทโธก็สั้นแตก็ง่ายมีความสําคัญมากร้ายใจเข้านึกว่าพุทเวลาใ่ออกนึกว่าโธคำภาวน า, านว่าพุทโธนี่มีความสําคัญจริง เขาไปพ น, นานองค์สมเด็จพระสัมมาทัพพิตเจ้าอย่างสัมมาหลังก็เหมือนกันการเล่นชื่องขี้ของพระเจ้า ม, มีมีความสำคัญมากอย่างสมัยพระองค์สมเด็จพระผู้ทธมีพระภาคเจ้าทรงประชดอยู่ <c oughs> เวลานั้นแปลกดว่าพรามเข้าไปถามองค์สมเด็จพระบรมครูแต่วันี้ขี้ว่าที่นักกา ร, กา ร, ราบกคคลตาม ว่าบ้านมณะโคดมคนที่นึกถึงชื่อท่านอย่างเดียวไม่เคยยกมือไหว้ไม่เคยใส่บาทไม่เคยฟังเทศตายแล้วไปเกิดบนสวรรค์มีไหมไตัวสังเกตจอมใจก็ทรงสตรัสตามมณะตัวก่อนตามคนที่นึกถึงชื่อตถาคตอย่างเดียวไม่เคยยกมือไหว้ไม่เคยใส่บาทไม่เคยฟังเทศ ได้ไปเกิดเป็นดวงสวรรค์ไม่ใช่นับร้อยนับพันนับหมื่นนับเป็นโกดในช่วนั้นองค์สเด็จพระพุทมีพระพายเจ้าชนิดทรงโกรดเรื่องมัตตุนารีเที่ยบุตรเชื่อเป็นบุคคลนี้นึกถึงที่พทธเจ้าอย่างเดียวไม่เคยยกมือไหว้ให้มาพร้อทวีมาหเมืพอมัตตุนาีเที่ยวบุตรเธอมาพรทวีนานมาแล้วางมาใกล้ที่จะลงจากวีมาน <c oughs> ถ้าไปดำเนินการ อ, องสมเด็จพระพูทธมีร่าผ้า้าวเมื่อไหวและพระเจ้า ก, ก็ทรงเทศพอเทศจบเธอก็เป็นพระโสดาบันน <c oughs> ิรมความแบบการนึกถึงที่ของพระพุทธเจา้าเอ า, อาแล้ว <c oughs> คอถึงมรรวัตคําว่าผูะเสื้ท่านพระเจ้าเนี่ย ม, ม่นจะมีพุทธโธอย่างเดียวนะัวาจายอย่างไหนเราตายนี้นับเรื่องในพุทธคุณที่ดีสสงต้นทั้งหมด แต่เกี่ยวข้องกับถ้อยคําในนั้นและโดยเฉพาะอย่างยิ่งก่อนที่จะอาวนาเรานึกเคารพในพระพุทธเจ้าอันนี้ถือว่าเป็นพุทธานวิธีกรรมฐ า, านเหมือนกันหมดอันนึกถือว่าเจา้าที่บอกเขาเรียกว่าพุทธานาวิธีกรรมฐานอย่างว่าในกรุณเนีกน็กล่าวว่าที่นี้ก็จะาบางทีญาติโยม บ, บางคนจะไม่เด็ฟังให้ทราบมาก่อนแตส่วนใหญ่เขาทราบแล้ว เจียงๆแล้วในสมัยที่เธอเป็นมนุษย์พ่อก็ขี้เหนียวแม่ก็ขี้เหนียวไป็ลูกเป็นลูกคนรวยเวลาป่วยไข้าไมาสบายพ่อแม่ก็ไป ห, หาหมอรักษาก็เป็นเสียงเงินยาก็ไม่กล้าซื้อก็เป็นเสียงเงินมากเก็บยากลางบ้านรักษาใ น, นที่สุดค่าการไข้ถึงกระสุดและก็บ้านนี้เขาไม่เคารพพระพุทธศาสนาเราเป็นกราม ในเวลาใกล้จะตายจริงๆทุกขเวทนามีมากเธอก็ิึกในใจว่าพ่อก็ดีแม่ก็ดีสักทิงก็ดีไม่เป็นที่พึ่งของเราได้เพราะว่าเราป่วยขนาดนี้พ่อแม่ไม่สามารถจะหาหมอรักษาได้เขาเสียใจเลยเขาเลยกันว่าพระสมณโคดมใจดีเมตตามไม่ว่าใครเธอจรงนึกถึงขอพระสมณะโคดมมาช่วยรักษารูปไข้หายนี่ความจริงครับไม่นึกถึงนึกฟังก็รู้ แึกต้องการช่วยหายหายโรคแต่ความจริงเชื่อพระเจ้ามีความสําคัญและเธอว่าตายขนาดนั้นได้เกิดปุจิวดาบนสวรรค์ชั้นดาวเดือนสเตร ว, ละวะโลกมีวิมาโทองคด้ล็กน้อยู่มีนางฟ้าเหนื่อพันธุ์บันดไวย์เรื่องความวัฒบรรดาญาโยมพุทธมิสัตใช้คำานาอย่างไหนก็ตามสนับเนื่องในสรรพนามของพระเจ้าในชื่อพระเจ้าอย่างใดก็ได้ หรือว่าบางทีไม่ภาวนานึกในใจว่านี่เราคำนองฐานว่มีความเคารพในพระพุทธเจ้าแล้วไปจับลงใหใจเขาออกส่วนหนึ่งของทิดตัวคิดถึง่มันก็ได้จ้าโดยอย่างนี้ก็เป็นพุท ธ, ธานุทธิใช้ได้นี่เป็เรื่องเบื้องต้นเบื้องต้นไปเบื้องต้นมาเวลาก็จะหมดนี่คอยย้ำขื้นในการแสดงคาถามที่มีความสคล้ายจากนิดหนึ่ง การจริงคิดไม่คิดว่าเสียงจะมาได้ขนาดนี้วันนี้เสียด ม, มากกรรมฐานที่มีความสําคัญที่สุดของบรรดาแห่งพุทธบริษัทเพื่อการก้าวเขา้าไปสู่นิพพานการนี้เข้าไปสู่นิพพานจะมีกรรมฐานสําคัญจริงๆประจำอยู่ที่เฉพาะอย่างยิ่งสมถะภาวนานสมถะภาวนานที่ทรมิตรศาสนาภาวนาด้วยกว็ได้พร้อมๆกันไป กมถานนี้มีความจําเป็นจะต้องได้ก็คือการยกงตานุติกรรมฐานกับอสุปกกรรมฐานทางสองอย่างนี้ควบกันไม่ใช่แยกกันปฏิบัติถ้าท่านคนใดไม่คล่อในกรรมฐานสองอย่างนี้ไม่สามารถจะเป็นพระอนาคามีได้ก็มีความจํากัดจริงเๆและเมื่อเป็นพระอนาคามีไม่เป็นอนาคามีไม่ได้ก็เป็นรันไม่ได้เหมือนกัน เมื่อแปรรั่นไม่ได้ก็ไปนิพพานเป็นได้นี้ว่ากันตามแบบนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่มาเล่นนี่อาจจะมีบารมีรักคิวมาแล้วคนใดบารมีสูงถ้าบารมีเข้มคนจริงก็มาจําเป็นต้องปฏิบัติข้อนี้เพราะลมใจมีความเรียบในการทรงตัวอยู่แล้วสําหรับกายยกรตานุสติกาสุภะนวัฏฐาก็ปฏิบัติตามนี้กายยกระตานุสติเพื่อนึกถึงร่างกายเรา ร่างกายเราก็ดีร่างกายคนอื่นก็ดีที่ตามพิสุติมรตและนมามัยพิจารณาการสารที่สองีมผมคนเล็กปันหนังเนื้อเป็นต้นความจริงและปฏิบัติตามนั้นก็ดีแต่ถ้าว่าถ้าหากว่าสําหรับคนที่มีปัญญาต่ําดีมากแต่ไล่ที่แต่ข้อพิจารณาผมคนหนังเล็กสนหนังเนื้อเนี่ย ไล่ไปจีดน้อยแต่คนที่มีวรมีคือความเข้มข้นของจิตดีไม่จำเป็นต้องทำแบบนั้นมันช้าก็มองเลยที่ร่างกายทั้งร่างกายเด็กกันแล้วกันร่างกายของเราทุกคนเนี่ยมันไม่ใช่เนื้อแท่งทึบมันเป็นจุดอ่อนแตได้อย่างแขงก็ส่วนแขนขาก็ส่วนขาข้อก็ส่วนข้อ่วนคอตัวกส่วนตัว มันมีกระดูกเินขึ้นเป็นขึ้นเป็นท่อนเป็นต อ, อนเนื่อหนังก็ไม่มีการเชื่อมกันสุคนะัญนักกรองความร่างกายไม่มีการทรงตัวในเมืม่อร่างกายไม่มีการทรงตัวแล้วคําว่าคําว่าทรงตัวในที่นี้จะหมายว่าร่างกายมันต้องแก่ลงไปทุกวันถ้าคิดว่าแก่นี่เป็นมิปเสนาภาวนา ใจที่ร่างกายไม่มีการสันตุนแบ่งแยกกันไปชื่ออันนี้องคนเล็บปันหนังเลือดไปตัวอย่างนี้ไปสมถะภาวนาอนอกจากจะร่างกายเสื่อมไปทุกวันแรงตัวเสื่อมตัวนี้น่ะปฏิบัติวิปัสนาภาวนานอกจากนั้นร่างกายยังเต็มด้วยความสุขภพโศกได้เห็นในสุขภพโศกอันนี้เป็นสมถะภาวนาตามแบบของสมถะที่ได้ว่าสุภกรรมฐาน ร่างกายมีอุจาระมีปัสสาวะอุจาระและปัสสาวะใครๆก็รู้สุข ก, ะ ก, ะกะโสุขโลกมีน้าเลือดตั้งือ่นั้นน้องเป็นต้นนําลายซงหาเป็นต้นอย่างนี้ก็สุขภกแล้ก็อยู่ในร่างกายกลวงความร่างกายเราเท่าร่างกายมันมีแต่ความเสื่อมผินชิ้นเป็นท่อนเป็นก้อนเม็ดเนื้อทั้งกันแล้วเราไม่ได้ส า, างความสุขภกเ ป, ป, ป็นปกติเราก็ไม่น่าจะยึดถือมันว่าเป็นเราเป็นพวกเรา ว่าสุขโปรภเปนสุปกรรมฐานมันว่าแยกกรรมเปรกผลผลเล็กปันนองนันยังเปต้นเป็นสมสถะกรรมฐานเป็นกายกตรมฐานปกติทิ้งต่อไปคิดต่อไปคิดตามความเป็นจริงของร่างกายมันมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นแล้วก็มีความแปรผนในชั้นกลางตัวแปรผลไน่ใ่พูดง่ายๆจากเด็กเล็กเป็นเด็กใหญ่ จากเด็กใหญ่เป็นหนุ่มเป็นสาวจากเด็กสาวเป็นวัยกลางคนก็ดูแลกันๆวัการคนเป็นยังไงจะเริ่มไม่ดีแล้วจากวัยการคนก็เป็นคนแก่คนแก่หูฝ้าตาฟางความไม่ดีทุกอย่างไม่ดีหมดจากคนแก่ก็เป็นคนตายถ้าที่เอรียงนี้เป็นทั้งสมถะหรือศาสนาถ้านึกถึงตายเป็นสมถะโรณนาคิดในการเสื่อมของร่างกายเป็นวิปัติสนาโณนา เพื่อให้มันเป็นคือัฒนาภาวนาแค่แข็งหน่อยก็มีความรู้สึกต่างความเป็นจริงว่าร่างกายนี้ความจริงไม่ใช่เราไม่ใช่ใชองเราตัวนี้ตัวสําคัญมากตัวนี้เป็นโรงพยาบาลแต่ว่าอันดับต้นใหญ่ถึงมาถึงม่โสดาไปก่อนร่างกายนี้ไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราถ้ามันเป็นเราจริงเป็นของเราจริงเราต้องการให้หนุ่มมันเป็นหนุ่ ม, มเป็นสาวตลอดเวลามันต้องหนุ่มต้องสาวตลอดเวลาจะต้องไม่แก่ นี่เราจะยับยั้งความแก่ยับยั้งมันไม่ได้บังคับไม่ได้ด้วย ก, การหนึ่งร่างกายเราต้องการมีความสมบูรณ์ไม่ต้องการป่วยแค่ไม่สบายมก็ยับยั้งมันได้มันถึงเวลาจะป่วยเราต้องป่วยเราไม่ต้องการร่างกาย h, มันตายเราไม่อยากจะตายไม่มีใครอยากตายท้าทายยากแต่ก็มันเลื่อตายก็มาขอได้มาได้ก็รวมความร่างกายนี้จริงๆไม่ใช่เราไม่ใช่พวกเรา มันเป็นเรื่องร่างิจิเลตัญหาค ว, วามทานอุปุิกรรมสร้างขึ้นโดยเฉพาะเราคือจิตเกิดทิดสมาในกายเข้ามาสิงสถิตอยู่ในมันเมือ่อเทวาราชที่มันจะพังเราห้ามไม่ได้เราจะไปสวรรค์เราจะไปนรกเรื่องร่างกายร่างกายก็มาเด้ไปด้วยสังเกตคนตายคนที่ตายแล้วก็บอกดีมีบุญไปสวรรค์มีบาปไปนรก ถ้าอ่ร่างกายของทุกคนถูกเขาเผาบ้างเขาฝังบ้างร่างกายไม่ได้ไปด้วยไอ้ส่วนที่ไปจริงนั่นคือเราตามภาษาหนังสือเรียกวิจิตตามภาษาหนังปฏิบัติเรียกวกุฏิสมารนกายผคนใดที่มันขยายเพืยย่อทุตรนกายแปลว่ากายที่ไปเห็นได้โดยกาเนื้อเป็นคำว่าเราจริงๆเครือทุสมารนกายไม่ใช่ร่างกายเนื้อ เมื่อจิตคิดแยกไว้ร่างกายกับเราวันแยกไว้ได้อย่างนี้เป็นไม่อหมดนามยานขั้นสูงเราก็จงคิดต่างกันไปจริงว่าในเมื่อร่างกายที่เราเอาศัยอยู่มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเร า, เราแล้วทำไมไม่ไมปแจ้งยึด ม, มีกายทรงตัวมีความทรงโภเป็นปกติเราไม่ต้องการอย่างนี้ขึ้นชื่อว่าร่างกายอย่างนี้เราจะมีท่านชาตินี้เป็นชาติสุดท้าย ร่างกายนี้ทำอะไรเราไม่ขอจับร่างกายอยา่างนี้ปฏิเริญั่งต่อไปเราต้องการนิพพานจุดเดียวอย่างนี้ถือว่าเป็นการตัดอวิชชาร่างกายยังตาลุปกติไั้ถ้าปรสุกรรมานอนี้ธรรมดายาติโยว่าต้องคิดคิเพิ่มหน่อยก่อนจะหลับรู้ส่กใหม่ๆคิดถึงต่างความเป็นจียงร่างกายนี้เต็มไปด้วยความสุขภพโศคโลก ไม่มีส่วนไหนของร่างกายที่มีความสะอาดจริงๆคิดว่าย่อๆแล้วนั่งนึกถึงน้าลายในปากน้าลายในปากตามปกติที่เราอมอยู่ได้เกลือนได้ไหมนําลายได้นะถ้าอยู่ในปากเราเกลือลงคอได้แต่พระพุทธมันนอกปาก ป, ากปั๊บแม้แต่มือมันหยางแ่ลร่างกียเพรามันสุขพรมถ้าอยากถามว่าน้าลายมัอยู่ที่ไหนก็ต้องตสอบสวนในร่างกายนี่เอง อุจาระปัสสาวะกินร่างกายดังหิ้วไปไหนก็หิ้วไปไปไหนก็เอามัไปด้วยเมื่อไหลมาจากร่างกายปับ ร, บ ร, บระมัดแสดงการกา ร, ก ร, รังเกียจว่มันสูงโรคสิ่งที่ไหลแล้วนี่อยู่ในร่างกายความจีิงร่างกายมาเต็มด้วยความสุขโครคโศโครคในที่สุดก็พังทึบเรืยองยอดไม่ต้องยาวร่างกายนี้เต็มด้วยความสุขโครคโศโครก มันเกิดขึ้นเนือเบื้องต้นมีความแปรปรวนแก่ไปเป็นธรรมดามีความป่วยไข่ไม่ส บ, บายเขธรรมดานิ่งทั้งหลายทั้งหมดอันนี้แปรกายความทุกข์น่าีสุดเป็นกังหันถ้าเราเอาศัยมันเป็นแดนที่อยู่ในกายเกิดต่อไปเราก็เลำบากไปทุกแบบที่เราต้องการเราไม่ต้องการร่างกายในอย่างนี้อีกเราต้องการจุดเ ย, ยียวจุดท้าย ถ้าจะถามว่าคนที่ตัดร่างกายเบือร่างกายเป็นทานได้หรือก็ต้องตอบว่าพระพุทธเจ้าทรงเทศวายโกระเพื่อท่านพายะใช้คําสั้นๆที่ท่านพายะถามในความต้องการของคําสอนของพระพุทธเจ้าพระพเจ้าบอกว่าภายะเธอจงเหวี่ยญาสนใจในรูปท่านเทศแค่นี้ท่านภายะเป็นพระรัห์พร้อมไปสมิธายานัน รงความการเจริญกรกรมฐานธรรมดาในพุบริษัทอันดับแรกที่รู้ลงให้ใจเข้าใจออกคนดีรูค้คําพูดนายคนดีตอนนี้เป็นการฝึกเพื่อการทรงสติสัมปชัญญาต่อไปก็ใช้ปัญญาไปกิเลสจริงๆในการไปกิเลสจริงๆต้องตัดเป็นขั้นเป็นตอนเวลาเรือนน้อยแนละ้วต้องตัดเป็นขั้นเป็นตอนอยากจงกระจกทีเดียวอันดับแรกพยายามทรงอรมณ์ขมัสโซดาวันให้ได้ อรมณ์ของโสดาบันคนนี้เป็นโสดาบันจริงๆก็มีอรมอย่างนี้ขึ้นหนึ่ ง, งพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอริยสงฆ์จริงไม่สงสัยไม่ปราโมากแต่การในสองเคยบอกว่าเป็นสินห้าบริสุทธิ์ตอนนี้เกณฑ์สินแระวัฐานเล่มหลังเล่มเล็กๆนี่ท่านบอกใช้สินห้าไม่พอท่านใช้กัมมบท10ถ้ากัมมบทสิทธอย่างอยากเป็นระโสดาบัน มีกำหนดสิธิ์อย่างละเอียดเป็นพระสิกาคารีพระตัดสิโยธเท่ากันใช่ไหมรพระองคมว่าพรองห์วโสดาบันกินตัคืนหนึ่งมีความรู้สึกว่นชีวิตนี้ต้องตายรการใีสองมีความรบไปว่าไตรรนาคมคือพระพุทธเจ้าพระธรรมพร ะ, ระอริยสงฆ์รการใีสามมีกำหดสิท์เสียพระตาปารามามีกำหนดสิทครบ้วนพราะได้เขียนว่าสินห้าบริสุทธิ์มนบอกว่าไม่โท อย่างวาจาในพระสงฆ์ดาวันจะต้องไม่กล่าวคเทิ้ดจะต้องไม่พูดหยาเพื่อเผินใจคนอื่นจะต้องไม่ใช่วาจาส่อเสียดคิดดงส่งเสริมมินทาให้บ้านเขาแต่งเากันจะต้องไม่พูดวาจาที่ได้ประโยชน์เมื่อเพาะสินข้าไม่พอต้อเป็นกมลศี ถ้ามาด้านจิตใจพระโสดาบันปันต์ตากิเลสทั้งหมดเทุกแง่ทุกว่าหนึ่งจะไม่ทิ้งจะได้ชั้นสมัยของใครมาเป็นสมบัยของตนโดยไม่ชอบธรรมราการในสองข้างโคตรยังมีอยู่แต่การจองล้างจองผ่านไม่มีในพระโสดาบันรายการในสามด้านจิตใจพระโสดาบันไม่คล้าคํ า, าสอนพระเจ้าคือไม่ดื้อใช่ไหมพระเจ้าสอนอยังไงตามแต่ปฏิบัติตามนั้น พระองพ์ควาว่าโรงมะสโสดาบันยิงคืนหนึ่งไม่ลึงความตายสังคว่าพระพุทธเจ้าพระธรรมพระอรยยสงฆ์สามมีกำหนดสิทธิครบค้นบริบูรและวสี่มีพระนิพพานเปินอารมณ์เป็นเรื่องที่ไม่ได้ผ่านเมืีไปอันนี้ต่อไปบรรดาญ า, ย า, ายโยคุตบวสสัตหลายเวลาหมดแล้วกต่ น, นี้ไปอัศวันตังเจสมาทานกรรมฐานสมาทาน ส, สีง